ท่านสาธาชนพุทธบริษัททั้งหลายเมื่อวานนี้มาจบลงตอนที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเรื่องพระพุทธภาผิดว่าผู้ดใดละตัญหาในโลกนี้ได้แล้วเป็นผู้ไม่มีเรือนเว้นสิ้นได้เราเรียกคนนั้นซึ่งมีตัญหาอันพบสิ้นแล้วว่าเป็นราม คำว่าพรามของพระพุทธเจ้าในที่นี้ขมันดาท่านพุทธบริษัโทโปรดทราบว่าคำว่าพรามคือคำว่าประเสริฐคำว่าประเสริฐในที่นี้ก็ได้แก่วความเป็นธาตุหันเองนี่ึ่งแกว้วใ น, นตอนท้ายว่าผู้ใดละตันหาอันเป็นไปในทวารหกหมายความว่าตาเห็นรูป เราก็ไม่พอใจในรูปหูได้ยินเสียงเราก็ไม่พอใจในเสียงกลิ่นสัมผัสเอาจะโหมกสัมผัสกลิ่นเราก็ไม่พอใจในกลิ่นคำว่าไม่พอใจไม่เชยโกรธไม่ก็ไม่ติดอยู่ในกลิ่นลิงกระทบรถเราก็ไม่มีความหลงในรถกายสัมผัสกายเราก็ไม่ติดในการสัมผัส อารมณ์เขาเวางเฉยไม่เกลียดรัรวไปได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้กล่าวว่าเป็นไปในตะวันหกในโลกนี้คืได้คือละได้ท่านผู้นั้นเป็นผู้ไม่มีความต้องการอยูครองเรือนที่ว่าเป็นผู้ไม่มีเรือนหมายความเรือนนั้นมันมี ในความรู้สึกในการพอใจในการมีผัวมีเมียในความรักในความปรารถนาในทรัพย์สินท้งหลายไม่มีเ ว, เ ว, เว้นเียนได้เราเรียกผู้นั้นว่ามีตันหาและพบมันสิ้นแล้วเพรความที่ตันหาและพบเป็นของสิ้นแล้วเราจึงกล่าวบุคคลนั้นว่าเป็นพรามนี่หมายความว่าตวันหก ตาเห็นรูปเราก็เฉยไม่รักก็ไม่เกลียดในรูปเราไม่ต้องการในรูปหูฟังเสียงเสียงดีก็เฉยเสียงเขาดินทาว่าร้ายเราก็เฉยเฉยเพราะอะไรเฉยเพราะว่าเราเห็นว่ามันไม่เป็นสาระ ก, กันสารยามูกสัมผัสกลิ่นเราก็เฉย ไอ้กลิ่นนี้ไม่ได้สร้างความดีหรือความสว่าลิ้งกระทบรถก็มีความรู้สึกว่ารถนี้มันก็แค่กระทบลิ้นเลยลิ้งก็ไม่มีความรู้สึกเรากินพยางแต่ภาพไปเป็นไปเป็นการนระคับไปนานกายถูกต้องสัมผัสก็มีความรู้สึกว่าเวลานี้เรากาลังสัมผัสกับผีเน่าอารมณ์ใจของเราก็มีความสมบายมีอารมณ์เป็นสุข ไม่ติดในรูปเสียงกิ่นรสสัมผัสแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้มีตัณหาและพบอันสิ้นแล้วคือเป็นพระอาหารหันต์ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่าตายต่อไปพระองค์สมเด็จพระจอมไตรรงเล็กบกคนนั้นว่าเป็นพรามเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดจบชนเป็นอันมาก ก็พากรรมลุอริยผลทั้งหลายมีเบโซดาปฏิผลเป็นต้นตอนนี้ไปก็ยะกล่าวถึงข้อข้ออีกตอนหนึ่งในเรื่องข้าโชติศาสเสรเธธีฐีเป็นอนุว่าตอนนี้ทิงกล่าวถึงพระเจ้าราชาติศัตรูจะยึดลำบ้านของสมมหาเศถียรนี่เป็นแดนถึงความโลภและความเบอันดพานของพระเจ้าราชาติศัตรู เนื้อความมิยว่าฝ่ายพระองค์พระเจ้าอาชาติศัตรูราชกุ ม, มารที่เป็นลูกของพระเจ้าพินพิสารสองคบ ก, กับพระเทวทัตลงพระชนพระราชบิดาดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วทรงดำมิว่าเราจะยึดเอาประสาทของโชติกาเศรษฐี เพอวโชติกาเศรษฐีนี่มีประสาทไปะกาบไ็ได้แก้วเจตการประราชายังมีไม่ได้ยังได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปเนี่ยดรามมากนะความจริงมหาเศรษฐีนี่อยู่ในขอบเขตของพ ร, ระองค์พ ร, อ ง, รองค์ปกครองจะงเย็บว้าเขาเตรียมการรบดีไหม ยอมอันดภานแบบนี้ในโลกนี้เห็นจะพอหาได้นะคือรับประสบการมีตำแหน่งหน้าที่แล้วก็ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในทางพวกเจริคิดไม่ชอบกินเงินเดือนพาเสียก่อนที่ชาวบ้านเขาให้เรี่องชี่มีฐานะใหญ่มีหน้าที่ในการปกครองแต่ก็ยังยึดถือความเลวเป็นสาธะนะพอหากันได้ไหมคนแถวนี้ แถวข้างๆบ้านท่านผู้ฟังรวมความมาลุกจ้างคิดทรยศต่อนายจ้างนี่พอหาได้ไหมหาได้แล้วก็ช่วยกำจัดไปเสียก็ไอคนแค่มีลมให้ใจเช่นเดียวกันมันไม่มีใครจะวิเศษวิโสกับกันจะมันนั่งกลัวกันอยู่ไม่เกิดประโยชน์อะไรกฎหมายมีใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมาย ถ้าเขาไม่ใช้กฎหมายเป็นกฎหมายใช้กฎหมู่เป็นเครื่องข่มขวังครับเราก็ใช้กฎหมู่ได้มันก็หมดเรื่องขึ้นไปเป็นอันว่าเราจะไม่ยอมรับนับถือความเลวความของคนทั้งหลายเหล่านั้นเราจะปล่อยให้เขาเลวต่อไปไม่ได้เป็นอันว่าจงถือกฎหมายเป็นกฎหมายระเบียบเป็นระเบียบจงถือว่าคนทุกคนที่เขามีความเป็นอยู่ได้ เขาจ้างมาสปกครองพวกเราดูแลพวกเราเขาต้องเขาจ้างมาเพื่อปรารถนาความสุขเขาให้มาทำดีในเมื่อทำไม่ดีก็เชิญให้พ้นตำแหน่งหน้าที่ไปวิธีเชิญเนื้อมันไม่ยากอะไรเชิญตามกฎหมายถ้าเชิญตามกฎหมายไม่ไปเราก็เชิญตามกฎที่เราเห็นว่าสมควรแต่กฎข้อนี้จะให้บังคับเลย มันมีวิธีไม่ยากแต่ว่าพูดไปในฐานะที่เป็นพระไม่สมควรเป็นั้นว่าเล่าเรื่องกันต่อไปเมื่อท่านองการบ้านขงโฉธิกาเศรษฐีคือประสาทาที่ประกอบเป็นแก้วิจริการจึงได้ทรงเตรียมการรบแล้วก็เสด็จออกไปพอทอดเรนเนตรเห็นเห็นแฉ่ฉายของพระองค์ คือเอาพร้อมด้วยบริวารที่กำแพงแล้วข้าว ไ, ไทยว่ากระหาวดีเป็นผู้เตรียมการรบคุมพลออกมาแล้วจึงไม่ทรงสามารถเจะเสด็จเข้าไปได้นี่สศนิหมายความว่าเมื่อพระเจ้าชาติศัตรูเสด็จไป พอไปถึงที่นั่นอ้กำแพงแก้ไปเจ็ดประการมันก็มีสภาพมันก็จกเงาเมื่อกนากำลังคนส่วนใหญ่เข้าไปไอ้เงามันก็ใหญ่คนก็น่่นมากเท่าไรก็ไอ้เงานั่นมันเป็นหลายชั้นหลายซ้อนด้ ก, กันก็กลายไปเห็นว่าคนที่กำลังเคลื่อนออกมาเยี่ยเดิน ใ, นใกล้เข้าไปไอ้เงามันก็เดิน ใ, นใกล้เข้ามา มันมีกำลังมากกว่าเพราะแก้วเจ็ดรายการประตูรับซ้อนประอปกรอบไปด้วยบารมีประเภทนี้โหดูทนไม่ไหวกองทัพของขาวดีนี่ใหญ่ามากจะโซ่เราเราไม่เอารั้เปิดดีกว่าเป็นนั้นว่าวันนั้นกลับแต่ว่าความจริงมีว่าในวันนั้นแม้ธรรมหาเศรษฐีเองท่านเป็นผู้รักษาโมสทศีิน ถ้ามาริยกทัพไปนี่กรรมชั่วของชาติศัตรูมีความรู้สึกเป็นอย่างนั้นท่านก็ม่พูดัาษาโสถบริโภคอาหารเช้าแต่เช้าตูว แ, แล้วก็ไปสุขามิหานนั่งฟังมัธรรมเทศนานอยู่ในสนักขอ ง, องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านี่คนเขายกทัพจะมารบแต่ว่าเจ้าของไม่อยู่บ้าน แต่วความอัศจรรย์เพราะนัดวาสนามารมีด้วยกำแพงแก้วจเจดียการนี้สะท้อนแสงทำให้ปลากฏดเป็นเงาพระเจ้าชาติศัตรูเห็นว่ากองทัพจะมารบท่า ก, กัท่านท่านเปิดหนีไปแล้วแต่ได้ว่าเจ้าของไม่ได้อยู่บ้านไม่ได้ยกทัพนั่นดูกันต่อไปตามพระบาลีที่กล่าวว่าส่วนยักษ ที่ว่ยมมโมลีคขาไม่ยักนิบจำให้ดีนะยักนี่มันมีหลายยักยักยอกยักสียักสายักษายักสียักอยะไรก็ช่างเถอะแต่ยักที่น่ายโกรที่สุดก็คือยักยอกให้เวลานี้โรคยักยอกดถ้ามันได้ยักยอกมันมีมากเขามันได้ชาวบ้านชาวเมืองจงระวังให้ดีนะ ขึ้นไปติดต่อติดกายงานที่ไหนก็ดีถ้ายักษ์ตัวนี้มันไม่ได้กิงคือยักษ์ยอกงานมันลำบากติดต่อไม่สะดวกทั้งยักษ์และก็ทั้งยอกถ้าอยู่ใกล้ๆเขตแดนแล้วระวังไอ้พวกยักษ์พวกนี้มันอยู่ริมๆเขตแดนมันยักษ์แล้วก็ยอกหมมันยอกยอกใครยอ ก, ยอกพวกเรา จะยักของหนีภาษีออกไปยักหนีแล้วของหนีภาษีเข้ามาในเมื่อภาษีออ ก, ก่อนจะผลได้ที่ควรได้แก่แผ่นดินมันไม่ได้ทราบสิ่งเข้ามาดินก็น้อยไปงบประมาณไม่มีพอใช้มันย่อการทาให้พวกเราเจ็บหัวใจแตอย่าไปติดใจมันเลยมันจะยักไปยังไงมันจะย่อไปอยังไงผมก็ตายโหงกันไปหมด มันไม่มีใครดีไอ้พวกยักษ์พวกยอกนี่มันมีแต่ความทุกข์มันไม่มีแต่ความสุขมันหาความสุขอะไรเขาไม่ได้ช่างของมันแต่อยอาช่างเฉยๆนะคงควรจะใช้กิโลใช้ช่างเลยดีเวลานี้เขาเลิกใช้แล้วกิโลมันมีน้ำหนักสูงใช้กิโลก็แล้วกันถ้าใช้กิโลเราทำยังไง แล้วก็นั่งโดเจ้ายักษ์มันยักษ์มาอะไรอากิโลท่มทุ่มกระ บ, บานลงไปมานานก็หมดเรื่องหมายความว่าคนอื่นเขายักษ์นะช่างเกยักษ์ยกเราอย่าให้ใจของเรากลายเป็นยักษ์ตัวนั้นไปก็แล้วกันคือจงจำมิเจ้ายักษ์ตัวนี้ว่าเจ้าจะไปอยู่กับใครก็เชิญไปแต่สำหรับฉันนี่กําลังใจไม่ต้องการยักษ์คือยักยอก แต่ว่ายักษ์ในที่นี้ตามพระบาลีฟังให้ดีนะยักษ์เขาแปลว่าผู้อันบคนุคคลควรบูชาหรือว่ายักษ์แปลว่าเทวดาไม่ใช่ยักษ์ทศ ก, กันพูดกันไปตามเรื่องท่านกล่าวว่าส่วนยักษ์ที่ชื่อว่ายอมโ ม, ม, มลีผู้ยึดการรักษาเยื่อยี่ยที่สมประิโตที่หนึ่ง ของท่านโชติกาเศรษฐีเห็นพระเจ้าอาชา ต, ติศัตรูนั้นจึงถามว่าท่านจะไปไหนหมายว่าเท ว, วดาเทลสาวาตุคนดีผีคุ้มข้าอย่างนั้นถามว่าท่านจะไปไหนแล้วจริงกำจัดพระเจ้าอาชาติศัตรูพร้อมไปด้วยบริวารติดตามไปในทิศน้นอยและทิศใหญ่ หมายความว่าอํานาจของเทวดามีอำนาจยิ่งกว่าคนพานถามว่าที่จะมาทําไมกันพวกคุณแล้วก็จัด ก, การขับไล่ไปด้วยอำนาจเมื่อพระเจ้าอาชาติศสตรูพร้อมบริวารหนีไปแล้วท่านก็ตามไม่หยุดยั้ยงปราบจะปราบปราบพระราชาดับพนฝ่ายพระราชาดับพันคือพระเจ้าอาชาติศัตรู ไม่รู ago, ้จะหนีไปไหนหนีเทวดาไม่ทันไปทางไหนเป็นเหนือไปใต้ก็ติดตามติดใช้อ่ำน่ายเข้ารหัสประหารยุตตลอดเวลาแต่ไม่ได้ตีให้ตายทำให้กลัวจึงได้พยายามหนีเสด็จเข้าไปสูวิหารแล้วเข้าไปเข้าไปหาโองค์สมเด็จพระบาททีแก้วเป็นอันว่าพอตัวจะตายเขาก็คิดถึงพระเป็นว่า หมดท่านี่พระนี่ก็ดีเหมือนกันแหละใครเ้าหมดท่าไม่รู้จะไปไหนเขานึกถึงพระสียทีป่วยไข้ไม่สบายนัานๆเขาหนึ่งนึกถึงพระจนมากๆเขานึกถึงพระหาผัวหาเมียไม่ได้ก็นึกถึงพระใกล้จะตายแล้วก็นึกถึงพระที่ความวอดวายที่เข้ามาถึงตัวจะล้มละลายก็นึกถึงพระความจริงพระนี่ก็เป็นผู้วิเศษดีเหมือนกัน ใครก็ที่ไม่ออกเยี่ยไม่ออกเขาก็นึกถึงพระเขานึกว่าพระนี่จะต้องทำอะไรได้ทุกอย่างแต่ความจริงหน้าที่ของพระไม่มีหน้าที่อย่างนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวสอนให้คนพ้นทุกข์คือสอนให้คนตัดความโลภตัดความโกรธตัดความหลงให้รู้จักบาปบนคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์พระไม่ได้ ก, กันชาวบ้านตายได้ เปนอันว่าเมื่อองค์สมเด็จเมื่อพระราชายคือพเจ้าชาติศัตรูปไปไหนไม่ไหวก็เลยเสด็จเข้าไปสูป่พระมหาวิหารเพื่องคง์สมเด็จพระวชิตมานในเวลานั้นท่านมหาเสรีฐีู้เห็นท้าเธอเขแล้วจึงในทูลถามว่าพระองค์มาเสด็จเพื่ออะไรกันพระเจ้าค่ะยกกองทัพใหญ่ ล้วจะนลุกขึ้นจากอาสนะยืนต้อนรับแสดงความเคารพในฐานะที่พระองค์เป็นพระราชาพระราชาจะเน้กล่าวว่าสังฆบดีท่านบังคับบุุษของท่านว่าท่านจงบังคับบุตษของท่านว่าจงลุ ก, กับเราแล้วมาที่นี่ท่านนั่งทาเป็นเหมือนว่าฟังธรรมอยู่อย่างนั้นเลย นี่ถือใจความในตอนนี้ว่าพระราชาคือพระเจ้าชาติศัตรูนะซึ่งมีงา g เห็นเงาของตัวคิดว่าเป็นกองทัพที่ท่านมหาเศรษฐีส่งออกไปรบถ้านมีความเข้าใจอย่างนั้นนะจึงได้ถามว่าท่านเศรษฐีเมื่อกี้นี้นะท่านส่งกองทัพคือคนของท่านออกมาเพื่อจะรบกับเรา แต่ว่าตัวท่านนั้นเรากลับทำท่าทำทางว่าเป็นคนนักบุญมันนั่งฟังเทศอยู่กับพระพุทธเจ้าอย่างนั้นหรือท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าก็สมมติเทพเขาเด็ดเตเพื่อจะยึดเอาเริงข้าพระองค์ใช่ไม่ใช่พระเจ้าค่าราชาตอว่าเออเราต้องการอย่างนั้น ฉันอยากจะได้บ้านของท่านมาเป็นวังของฉันโด้ปอย่างนี้ก็เป็นไปได้ท่านมหาเศรษฐีกาบทุนว่าค่าแต่สมมติเทพแม้พระราชาตั้งพันพระองค์และมีกองทัพมากกว่า น, นี้อีกพันเท่าก็ไม่สามารถเพื่อจะยึดเอาเร็งฆ่าพระพุทธเจ้าได้ เพราะว่าข้าพระพระองค์ไม่เพีงปราถนาหมายความว่าถ้าเขาไม่ให้ไม่มีทางใดเทียบได้เจ้าว่าแต่พระเจ้าอาชาติศัตรูคนเดียวเลยต่อให้พระราชาอย่างพระเจ้าจะอาชาติศัตรูอีกสักพันองค์ก็ไม่ได้มีโอกาสทตอนนี้เขาาว่าตามข้อข้อท่านบอกว่าพระาราชาทรงถอดแหวนไม่ออก หลังจากนั้นราชาก็เกลี้วที่ฟังแบบนั้นมันโดโนูโตกันอยว่าน้อยและกูเป็นพระราชาแต่ัา่าเจ้านี้มาดูโตกคนอย่างเราทรงเกลียวและยังจัดว่าท่านก็ท่านจักเป็นพระราชาหรือหมายความนี่หมายความแกพูดอย่างนี้นะนะมาท้าทายว่าบ้ายแกนะจะว่าจะฉัน ยกทัพไปของทัพเดียวเลยให้พระราชาพันองค์ยกทัพมาอีกพันทัพก็ไม่สามารถจะยึดได้นี่หมายความว่าท่านจะเป็นพระราชาใช่ไหมรักเป็นขมบทใช่ไหมท่านมหาเิรษฐีก็บอกว่าข้าแต่พระองค์พระบุตรข้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ปราถนาเป็นพระราชาแต่ได้ว่าพระราชาคนดีหรือโจรก็ตาม เรือว่าราชาที่เป็นโจนรให้โจรที่เป็นปราชาไม่สามารถจะถือเอาแม้แต่เส้นได้ที่ชายผ้าอันเป็นของข้าพระองค์นี้แม้พุดธนาักนี่ก็ถือว่าผู้มีบุญถ้าเขาไม่ให้ที่อย่างเดียวก็ไม่มีทางที่ได้เพราะว่าขณะใดก็ตามทรัพย์สินทั้งหมดที่เกิดมานี่ มันเกิดมาด้วยอำ น, นาจวาสนาบรารมีความดีของข้าพระพุทธเจ้าสำหรับบุคคลใดก็ตามที่มีความเลวไปจำใจบุคคลนั่งหลายเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสเทียนได้ของแม้แต่เศษได้ช้ยผ้าของพระพุทธเจ้าที่มีอยู่โอ้พวกอย่างนี้มันพ้ากันหรือวะ เอาจริงเขาท่ากันแต่ก็น่าท้าไอ้คนดีท้าคนเลวคนเลวไม่มีความรู้สึกจะอายเพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่เป็นพระราชาปกครองเขาเวลานั้นเป็นสมัยราชาที่ปไตยจะมีคำสั่งยึดทรัพย์จะมีคำสั่งฆ่าใครเมื่อไรก็ยังได้แต่ได้ ว, ว่าอาศัยว่าพระองค์ปราศจากทศกิธิราชธรรม เป็นอันดาผ่านแม้แต่ข้อพ่ อ, อยังฆ่าได้แล้วก็ทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้ความจริงน้ำประไทยเขาประราชาประเภทนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับข้าราชการนักคนอับรีที่กินภาษีอารกรอนของชาวบ้านแล้วไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตคิดแต่ยคคดเจอโกงเวลาองทำราชการบ้างคิดโกงภาษีอารกรบ้าง การใช้ใจ่ายบอกว่าไม่พออยู่เสมอไม่ได้ดูว่าชาวบ้านนะ่ะที่เขาทามาหากินกันด้วยความลําบากกว่าจะได้เงินมาแต่และบายก็แสนยากนี่มีเงินเดือนเงินดาวกันเท่าไรไม่รู้จะพอโคดโกงตลอดเวลานี่ว่าจะพราะคนเลวนะเซมเหล่าคนดีก็มีอยู่มากคนพวกนี้เราคนบูชาแต่ว่าเจ้าคนพวกคนเลวนี่ควรจะขับเข้าป่าไปซะนะมันดี เป็นอันว่าพระราชาเมื่อได้ฟังแบบนั้นแล้วท่านก็ตัดว่านี่ก็ฉันจักถือเอาตามความพอใจท่านจะว่ายัางไงหมายก็ไอ้บ้านนี้ท่านจะไม่ให้หรือว่าทรัพย์ทั้งหลายก็ตามท่านคิดว่าท่านจะไม่ให้แต่ว่าฉันจะเอาตามใจของฉันในฐานะที่ฉันเป็นพระราชาเนี่ยท่านจะว่ายัางไง ตอนนี้แตามหาเศรษฐีก็ได้กราวถุนว่าข้าแต่สมุติเทพให้ความจริงเขาให้สัญญาว่าสมุติเทพนะสมมติว่าเป็นเทวดาแต่น่ายัางด้านขนาดนั้นนี่มันน่าสลดใจไม่มีความละอายใจว่าตัวเนี่ยมีสภาวะเป็นเช่นใดคนน่าด้านอย่างนี้สมัยนี้ยังพอหาบ้างไหม เป็นขลเลการเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เป็นหน้าด้านอย่างพระราชาเจ้าศัตรูแบบนี้ยังพอมีบ้างไหมกินกันบ้างโกงกันบ้างเงินภาษีกรที่ได้มาก็เข้ากระเป๋ากันบ้างเราสั่งให้มาสร้างโน่นทานี่ก็กินเปอร์เซ็นต์คนละยี่สิบเปอร์ซ็นสามสิบเปอร์เซ็นตบ้างดีไม่ดีก็คนที่เขาข้าวปลาอาหารที่เขาให้มาช่วยคนจนทรัพย์ถินทั้งหลาย แต่ของท่านหลายแล้วนี่มันหายเข้ากระเป๋าไอคนเร็วไปหมดในอย่างนี้มันพอมีไหมคนอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเนี่สมัยนี้พอหาได้ไหมแต่หาได้ก็พึงทราบว่าจริยางใดที่พระเจ้าชาติศัตรูทําแล้วเวลาตายไปแล้วพระเจ้าชาติศัตรูต้องลงไปไหมในโลหะของผู อาการอย่างนี้ก็จังจะมีจะบรรดาคนทั้งหลายเหล่านั้นถึงแม้ว่าเขายังไม่ตายท่านั้งหลายไปดูแต่ไอ้ความโอท้องที่เขาโอดน่ะความจริงมันไม่ไปแค่ไหนหรอกก็มีท่าทางภายนอกมีสภาพเป็นช้างแต่ภายในใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความทุกข์าจาถ้าจะเป็นช้างก็เป็นช้างที่มีโรค ไอ้โรคนี้ก็เป็นคือโรคเรือนที่มันทรมานกายทรมานใจของเขาเขามันด้มีความสุขหากว่าท่านจะดูให้ดีแล้วไปดูไอ้พกมันเ ล, เลวประเภเนียเข้าไปถึงหลังบ้านเวลาแต่งตัวมาหน้าบ้านสแสดงการสง่าผ่าเผยผ้าทางองค์อาจวางมาให้ดี ไปรวงเข้าไปถึงใจให้จริงจรงเสียทีรู้สึกแมหมเจ้าโหนนี่มันนอนเป็นทุกนอนหวาดนอนผวาเห็นใครก็เดินมาเห็นผู้บังคับบัญชามาเพราะได้ข่าวนิจ็สะทุ่งหยงในไม่ดีนักสีข่าวห น, นังสือพิมพ์ใดเข้าไปใจหายวาบหยิดห น, นังสือพิมพ์เข้ามาเขบอกว่าเวลานี้เขาลงห น, นังสือพิมพ์กัน ว่าคนนั้นจับคนโกงคนนี้จับคนกินแยาพวกนี้ไม่ท่นยานจะอันข่าวใจมันเริ่มดินอารมณ์เป็นทุกข์หนีไหมคนแบบพระ้าชาติศัตรูนี่ไม่มีความสุขทั้งในสมัยที่มีชีวิตอยู่และตายแล้วเพราะอะไรเพราะจิตมันโลภแบบนี้จิตโลภอย่าแยไในทรัพย์ของเขา ถ้าไม่ได้ตามใจมันก็มีความกรดที่ความต้องการอย่างนี้มีขึ้นเพราะสายความหลงไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องตายหลงว่าทาได้ประสาทเจิตใกายของอโชธิกาเสถีว่าเป็นของตนราชาหน้า ม, มนจะมีความสุข ได้ใสยความโง่มันจะโสกตรงไห น, นบ้านเงินก็ตามบ้านทองก็ตามบ้านแก้วก็ตามบ้านประสาทเกตเปการก็ตามเมื่ออยู่ที่ไหนมันก็แก่ที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ป่วยที่นั่นอยู่ที่ไหนมันก็ตายที่นั่นมันจะมาคุ้มครองป้องกันความตายได้ยังไงเป็นอันว่าพระเจ้าชาติสตรูนี่อยู่ในสมัยพระพุทธเจ้าแท้ๆย่างโง่แบบนี้ ยังหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อรับันดาเทพุทธศตาสเนกนชนทั้งหลายคนอย่างพระเจ้าชาติัตรูเลวฉันใดท่านจงดูบุคคลทั้งหลายที่สืบเนื่องกันในโลกนี้ว่าถ้าใครเลวอย่างนี้แล้วจงอยากก่าคบหาสมาคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคืออารมณ์ของเราคนอื่นเลวเราพอเลี่ยงได้แต่ว่าถ้าใจของเราเลวแล้วมันเลี่ยงไม่ได้ ขอบรรดาท่านพุ้ตศาสนิกชนหลายจงหลีกเลี่ยงอารมณ์ใจที่เลวอย่างพระเจ้าชาติศัตรูเสียท่านจะมีความสุขวันนี้มองดูเวลามันก็หมดเส้นแล้วนั่นต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านผู้ต่สาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี